พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13บพระสูตรที่36อังคุลิมาลสูตรสูตรว่าด้วยพระองค์คุลิมานพระผู้มีพระภาคประทับนเจตวนารามสมัยนั้นมีโจรชื่อองคุลิมานในแว่นแคว้นโกศลเที่ยวฆ่ามนุษย์เอานิ้วมือมาร้อยเป็นพวงมาลัยคล้องร่างเช้าวันหนึ่งพระผู้มีพระภาค เสด็จไปบินทบาทในกรุงสาวัตถีครันสวยเสร็จกลับจากบินทบาทก็เสด็จเดินทางไกลไปยังที่ที่องคุลีมานอยู่มีคนเลี้ยงโคเลี้ยงแกะและชาวนาวิ่งมาห้ามไม่ให้เสด็จไปอ้างว่าโจนองคุลีมานอยู่ทางนั้นก็ส่งเสด็จต่อไปโดยดุษณีภาพโจนองคุลีมานเห็นเข้าจับอาวุธไล่ตามไปจนสุดกำลัง ก็ไม่สามารถตามทันได้จึงกล่าวว่าหยุดก่อนสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราหยุดแล้วท่านจงหยุดสอิองคุลิมานองคุลิมานก็ทูลถามว่าทรงดำเนินไปแต่เช่นไหนจึงตรัสว่าหยุดแล้วตรัสตอบว่าเราวางอาชญาในสัตว์ทั้งหลายจึงชื่อว่าหยุดส่วนท่าน ไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายจึงชื่อว่าไม่หยุดองคุลิมานได้คิดก็เลื่อมใสกราบทูลขอบวชตามเสด็จพระผู้มีพระภาคกลับไปกรุงสาวัตถีและพักอยู่ในเจตวรนารามที่นั้นพระเจ้าปเสนทิเตรียมยกทัพออกปราบโจญองคุลิมานเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยไพรพลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถาม ก็กราบทูลว่าจะไปปราบโจรองคุลิมานพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าถ้าพบโจรองคุลิมานบวชแล้วตั้งอยู่ในคุณธรรมจะทรงทำอย่างไรพระเจ้าประสเสนที่กราบทูลว่าจะอภิวาสต้อนรับถวายปัจจัยสีและถวายความคุ้มครองอันเป็นธรรมพระผู้มีพระภาคจึงชี้ให้ทรงรู้จักภิกษุองคุลิมาน ซึ่งนั่งอยู่ในที่เฝ้าด้วยครั้นทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าปรปเนสนธิทรงตกพระไทยกลัวจึงตรัสปลอบไม่ให้กลัวพระเจ้าปเปเสนธิก็ตรัสปราศัยกับพระองคุลิมานเป็นอันดีและตรัสประวารณาที่จะถวายปจัจจัยสีแต่พระองคุลิมานทูลว่ามีไตรจีวรบริบูรณ์แล้วพระเจ้าปเปเสนธิ จึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกราบทูลสันเสริญว่าพระองค์ไม่สามารถปราบพระองคุลิมานได้แม้ด้วยท่อนไม้และสัตราแต่พระผู้มีพระภาคทรงปราบได้โดยไม่ต้องใช้ท่อนไม้และสัตราแล้วกราบทูลลากลับพระองค์คุลิมานไปบินธบาดพบหญิงมีคันแก่ก็มีความกรุณาเมื่อกลับกราบทูล พระผู้มีพระภาคจึงตรัสสอนให้พระองค์คุลิมานกล่าวสัจจวาจาพระองค์คุลิมานก็ไปกล่าวสัจจวาจาให้พรให้มีความสวัสดีทั้งมารดาและทารกหญิงนั้นก็คลอดทารกโดยสวัสดีต่อมาท่านบัมเพ็ญเพียรก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อท่านไปบิณฑบาต ก็ถูกก้อนดินท่อนไม้ก้อนกรวดที่เขาคว้างไปมีศีรษะแตกมีโลหิตไหลมีสังคติขาดวินมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่ากรรมที่จะให้ผลไปหมกไหมในนรกเป็นเวลาหลายหมื่นหลายแสนปีเป็นอันท่านได้รับผลในปัจจุบันพระองคุลีมาน ก็หลีกเร้นเข้าไปอยู่ในถ้ำและเปล่งอุทานเป็นธรรมภาสิตในทางส่งเสริมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา